คนที่มีนิสัยวาสนาพร้อมแล้วคือจำพวกอุคติตนอยู่เช่นอย่างพยศคุณบุตทีุพระสารีบุตรโมกคันลาเป็นต้นนี่คือจำท่านที่เป็นอุคติตนอยู่ขอที่จะรู้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วพยศคุณบุต อยู่ในบ้างอยู่ไม่ได้เมื่อถึงการแล้วบ่นไปว่าวุ่นวายก็พ อ, อ, อดีไปพบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งว่าให้มาที่นี่ที่นี่ไม่ยุ่งที่นี่ไม่วุ่นวายอพอเข้าไปก็ประทานพระโอวาท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 แต่อขั้นหนึ่งก็หนักลงไปกว่า น, นั้นหนักลงไปเป็นขั้นๆจนถึงขนาดที่ว่าโรคไม่ฟังยายาจะดียิเศษยิโสหมอจะมีความรู้เชี่ยวชาญหรือตลาดขนาดไหนมันก็เข้ากันไม่ได้กับโรคช น, นิดไม่รับยาสุดท้ายก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมจิตใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันเช่นเดที่คอยรับยาอยู่แล้ว พยายามถานอุคติกันอยู่ถัดลงมาก็วิปปิกันอยู่แล้วกลับมาในายะที่พอแนะนําถังสอนหรือพอจุดพอลากกันไปได้อย่างที่เราทั้งหลายอุตสาพยายามจะเกียยตกรายด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งในผลฝนทำซ้ำๆซักๆทำมากขัค่อยๆอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเมื่อเราทำไม่หยุดไม่ถอย ธรรมะออกเข้าถึงใจเรื่อยๆเอาไปหล่อเลี้ยงภาในจิตใจเรื่องรรกิเลสก็ค่อยขยายตัวไปขยายตัวไปธรรมะมีมากยังไงอํานาจก็มากกิเลสก็มีอานาจน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลยกิเลสมีอานาจเต็มที่จยากแสดงตัวยังไงก็แสดงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยความเดดรอนจึงมีมากเพราะกิเลสมันมากมีอานาจมาก ความดือร้อนให้แก่โลกได้มากเมื่อธรรมะได้แทรกซึมเ ข, ข้าถึงใจมากน้อยกิเลส ก, ก็ค่อยอ่อนกําลังอ่อนอานาจลงไปธรรมะก็มีอานาจลงเข้าไปโดยลําดับลาดับการปฏิบัติธรรมจิงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะพยายามให้ธรรมเข้าสู่จิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆเพราะกิเลส ไม่ได้มีการไม่มีสถานที่เวลอร่เวลาอดีตอนาคตไม่ขึ้นอยู่กับจิตใดทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับการผิดการทําของมันเท่านั้นเพราะนั้นอยู่ที่ไหนกิเลสจึนต้องมีถ้าเราไม่ประมัด ร, ระวังจึงต้องผิดผลออกมาเรื่อยๆให้รับความทุกข์ความลําบากการสั่งสมธรรมการปลุกติปฏิบททัติธรรมซึ่งเป็นคู่แข่งหรือเป็นเครื่องปราบปรามกิเลส จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องการความสงบสุขภายในจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานให้เป็นไปเพว่ความราบรื่นดีงามสม่ำเสม อ, สมอในผลเป็นที่พึงพอใจต้องอาศัยการอบรมการปฏิบัติทางด้านธรรมะเมื่อธรรมะเข้าสู่จิตใจมากน้อยเพียงไรใจก็ค่อยเกิดความเยือเยีย่ยมแจ่มใสมีความสงบเย็นภายในตัวเองและเห็นคุณค่าแห่งใจและเห็นคุณค่าของตัวเองไปโดยลําดับ การทำจึงมีความจําเป็นสําหรับผู้ต้องการความสุขความเป็นเลยโดยทั่วการซึ่งจะควรอบรมให้มีขึ้นภายในใจิตใจยากลําบากเราไม่ต้องถือว่าเป็นอุปสรรคที่เคยได้อธิบายมาหลายครั้งแลายหนแล้วการแก้กิเลสจะไม่ยากยังไงกิเลสมันขอตัวมาตั้งแต่เมื่อไรเราไม่ทราบได้เลยเราไม่ทราบจนกระทั่งว่าปู่ย่าตายายาของกิเลสคืออะไรโคตรแท้ของกิเลสคืออะไรไม่ทราบได้ เราจะทําลายกิเลสซึ่งฝังลากฐานลงอย่างลึกเราจะทําลายเอาอย่างใจหวังให้ได้อย่างปอกกล้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่กล้วยอพอที่จะปอกแล้วเอามารักทางเลยอย่างนั้นผู้ป ฏ, ฏิบัติธรรมจึงต้องเป็นผู้มีหลักใจอันแน่นหนามันคงคือมีหลักใจมีหลัก ใจหลักแน่นพูดหน่อยๆมีเหตุมีผลเสมอเป็นเครื่องบังคับให้ใจดําเนินหรือเดินไปตามเหตุผลที่เราพิจารณาแล้วนั้นใจดําเนินตามหลักของเหตุผลอยู่โดยสม่ำเสม อ, สมอความชินของใจก็มีด้วยและสิ่งที่จะมาก่อความจิตใจให้ได้รับความทุกข์ความลําบากคือเรื่องของยิเลง ก็มีน้อยอยู่เป็นลาดับในอทีต ท, ท่านสอนให้ไปอยู่ในป่านในที่สงบสงบัดังพระท่านดูพระครั้งพุทธการมีจํานวนมากมายขึ้นมุ่งตอกแด น, นพ้นทุกข์และประพฤติปฏิบัติตนด้วยวิธีที่กล่าวมานี้อง์นั่นสำเร็จอยู่ที่นั่นองนี้บรรลุอยู่ที่นั่นเรื่อยมาโดยลาดับข่าวท่านมีแต่ข่าวดีๆแต่เรามองดูแต่ผล ผมเหมือนกับท่านล้างมือเปิดแต่เหตุคือการบําเพ็ญของท่านท่านสลัดเป็นสลัตายมาแทบทุกองค์ทีเดียวไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดๆก็ตามเมื่อได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความเชื่อความใส่ใจต่อข้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นผู้เตืยนทั้งหมดสลิดน้สัยใจคอความเป็นอะไรมาแต่ก่อน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 นี่คือปฏิบัติทาที่ราบรื่นโดยสม่ำเสมอและเป็นปฏิบัติทาที่สามารถแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากใจได้โดยลำดับไม่ว่าการใดสมัยใด mm hmm. เมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสอนไวแล้วต้องไปผลเป็นที่พึงใจโดยลำดับคำว่าที่นั่นบุ่นวายที่นี่วุ่นวายจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงใจสถานที่เขาไม่ว่าเขาวุ่นวาย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 นอกจากจะบำเพ็ญเพื่อนะ ง, งับดักกิเลสภายในจิตใจทำงา น, นถ้าพูดถึงสถานที่ก็สถานที่นั้นเป็นที่บำเพ็ญเป็นที่ชะะงับดักกิเลสซึ่งเป็นตัววุ่นวายให้สงบระ ง, งับลงไปโดยล้วโดยลาดับจกนกระทั่งถึงความเล่าฆ่าแห่งกิเลสไม่มีเหลือภายในใจแม้พระทัยของพระบุรีเจ้าก็เป็นพระทัยที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงแล้วไม่ใช่พระทัยที่ยุ่งเหยิงวุ่นวาย นั่นจึงเรียกบพยพเข้ามาสู่ที่นี่ที่ดีไม่ยุมงเหยิงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่เดือดร้อนอสั่งสอนทำแก้วความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าไปที่จิตใจคุณถึงกับผู้นั้นได้รับผลเป็นที่พอใจโดยลํำดับลํำดับนานนี่เป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้คิดถึงเรื่องความวุ่นวายมันอยู่สถานที่ใดถ้ามาอยู่ในหัวใจของเหล่านี้ไม่มีที่อยู่ เมื่อความวุ่นวายที่เกาะควรอยู่ภายจิตใจสงับดับลงไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วความสงบเย็ยนใจก็เกิดขึ้นที่นั่นก็ไม่วุ่นวายแล้วทีนี้ไปที่ไหนก็ไม่วุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เธอไม่วุ่นวายทั้งนั้นสมาไปหมดมีใจดวงเดียวเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายแต่นั้นมีสิ่งที่จะพาให้เป็นตัวก่อเหตุไม่ใช่ใจเฉยแล้วก่อเหตุขึ้นมาสิ่งที่แทรกสิงนั้นคือสิ่งวุ่นวายเมื่อเข้าไปสิงเหนสิทธิจิตใจของผู้ใดผู้้้นนัก็ตองวุาย การแกร้ที่เละหรือการแกร้ธรรมชาติที่บุ่นวายนี้จึงแก้ลงที่ใจนี้เองโดยครอบปฏิบัติเป็นการสอนให้กําหนดพุทโธธโมสังโฆเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อจิตได้สงบระงับในขั้นเริ่มแรกนี่ก็คือเพื่ อ, อระงับความวุ่นวายและต่อไปมันวุ่นวายกับเรื่องอะไรนี่ปัญญาจะออกเดินวุ่นวายกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องลดเครื่องสมบัติอะไรเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเป็นยังไงบ้าง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 ยานี้จากจุดนี้วัตจักก็คือจิตเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องน้ำบากทั้งหมดคือจิตอ า, อารมณ์ที่นี่เลยตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุคำว่าคือจิตนี่ก็คือคือทิ่เละที่ไม่อยู่ในจิตจิตที่ยังสำลอกปอกที่เละออกไม่ได้หมดจึงต้องมีเรื่องไม่พึงปราถนาขึ้นมาภายในจิตทั้งทั้งที่เราไม่ต้องการมันก็เกิด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 ควโง่ล่ะมันทําคนให้แหลมคมได้ไหมนคนโง่ทําอะไรให้สําเร็จหรือล่วงไปด้วยความน่าชมมีไหมเนี่ยทําอะไรก็ไม่ทันเข า, งงาความโง่ความขี้เกียจเมื่อได้เข้ากันแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วทําอะไรไม่สําเร็จนี่แหละโทษทั้งมันเป็นอย่างนี้ที่เราต้องการจะให้เห็นอัดเห็นทำเห็นความจริงของาศาสนธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของเราดังที่พระเจ้าทรงสอนไว้ เราจะทำํำวิธีไหนเราจะนําความขี้เกียจที่ขั้านที้เข้ามาเป็นผู้นําทางเลยหรือจะนาความโง่เข้ามาเป็นเครื่องบุกเบิกทางนอกจากมันจะเพิ่มความที่เกียจเพิ่มความโง่เข้าอีกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่เป็นที่เดินของสิ่งทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแก้สิ่งทั้งสองนี้ได้เราต้องพยายามผลิตขึ้นมา ความฉลาดิดได้พยายามคิดอ่านแตกรองอยู่เสมอทีแรกต้องพยายามผักคิดผักคน้นมากกว่าเพราะยังไม่เห็นผลจนก ว, ว่าผลปรากฏขึ้นมาแล้วเรื่องความอุตสาห์พยายามความบึกบึนหรือความเชื่อความมั่นใจความดุดดื่มภายในจิตใจจะเป็นไปเองเพราะผลเป็นเครื่องถุกเป็นเครื่องดึงดูดให้เป็นไปเแก้ตรงที่หนึ่งพิเลตมีอยู่กับใจ เราจะไปฆ่าไปหมายที่นู่นที่นี่เป็นความผิดทั้งนั้นกิเลสตัวมันพาเป็นพาฆ่าพาหมายแล้วไม่ดูมันหากตัวที่นั่นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะเป็นสุขที่นี่จะสบายด้วนแล้วแต่มันหลอกเราไปแล้วก็อย่างว่าเพราะตัวนี้มันร้อนไปไหนมันก็ร้อนตัวนี้มันเป็นทุกข์ไปไหนมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ดูตัวมันก่อทุกข์ก่อเหตุออกความวุ่นวายอยู่เสมอภายในจิตใจนี้จะไม่เห็นที่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 แล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะแสดงให้เราเห็นเมื่อสติจดจ่ออยู่นั่นไม่ยอมให้จิตจิตท่นคิดไปในทางอื่นซึ่งเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาอีกดูเฉพาะจุดที่มันเป็นนั้นด้วยปัญญาด้วยสติแค่ควรดูด้วยดีแล้วเนี่ยชื่อว่าถูกต้องและเป็นทางที่จะระงับกับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ท่านดับทุกท่านดับที่มีถ้ามีสติปัญญาระดับได้ตรงนี้ลนะ่ะมีความเพียนเราไม่ต้องไปปรารถนาว่าให้ทุกนี้ดับไปเสีย แล้วไม่ต้องไปอยากอยากให้มันดับความอยากนี้เป็นความก่อเป็นสิ่งก่อปวนจะเพิ่มทุกขึ้นมาเมื่ อ, ม, อมันไม่ดับอยากใจหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่ปรากฏอยู่คือความทุกข์เวลานี้ก็คือการกําหนดดูให้รู้เรื่องรู้ราวของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรจะเห็นความจริงทั้งทั้งทุกข์ด้วยเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ด้วยด้วยปัญญาของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่จะยุติความทุกข์ได้ไม่เป็นสิ่งที่ระงดดับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยมีจุดนี้เป็นจุดสําัญ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 มันเบาบางไปจนกระทั่งความสำคัญนั่นหมดไปคํว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเราแล้วก็หมดไม่ต้องบอกมันก็หมดเองเหี้ยปัญญาตัดขาดตัดขาดนี้เองตัดความสําคัญว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเราทุกข์ก็เป็นเราร้อนจะตายก็ยังมาเป็นเราอีกว่าเป็นของเราอีกเอามาทําใหม่มันเหมือนกับไฟมันมาเป็นเรามาเผาเราได้แต่เผาเราทำไม่วามร้อนก็รู้ว่าร้อนความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะไรจะต้องกวาดเอามาเผาจะของอีกทุกข์ก็มันรู้ว่ามันทูกกาหนดดูที่ตรงที่ว่ามันถูกด้วยปัญญาของเรานั่นแหละเป็นความถูกต้อง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 ให้เข้าใจคือใจอาการของจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้ามีการชำนะญศาสารด้วยข้อปฏิบัติอยู่เสมอแม้แต่สมาธิก็ยังต้องเปลี่ยนสภาพไปจากความละเอียดเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆฐานของจิตคือความแมน่นหนามันคงก็จะแน่นหนามันคงเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญาเมื่อนํามาใช้ก็จะค่อยมีกําลังขึ้นในลําดับ คววดเร็วของสติปัญญาก็เร็วขึ้นไปโดยลำดับเพราะฝึกซ้อมอยู่เสมอ น, นี่นี่แหละสิ่งที่จะทันกับทิ่เหลือคือสติ ป, ปัญญามีมากเย่างไรกิเลหยือจะกลัวทั้งนั้นนหละถ้ามีน้อยทิเลืก็เหยียบย่าทําลายจนไ ม, ม่ปราบสติปัญญาเลยมิจะนั่งเฝ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นต่อให้มันทุกข์มันเหยียบย่าทำลายบนอยู่งั้นบนเท่าไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์บ น, นไป่ทำใหม่หน้าที่ของเรามีไงฟาดลงไปให้มัน เนเหตเห็นผลเห็นความแตกความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราดวงเดียวนี้เมื่อเห็นชัดเจนแล้วที่เรียนไม่ต้องบอกมันแตกกระจายไปหมดนั่ะสู้ปัญญาไม่ได้นั่นแหละเราตึงจะได้เห็นชัดเจนว่าอะไรมันเป็นจิเบตอะไรมันเป็นโกงจักอะไรมันเป็นตัวเกิดตัวตายตัวทุกข์ตัวลําบากทั้งทั้งหลายนี้อะไรเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนเป็นที่เดือดร้อนที่ไหนเป็นที่วุ่นวาย เมื่อทราบนี้แล้วมันรู้เพราะตอนนั้นความเดือดร้อนรุ่นวา น, นหมดเพราะกิเลสตัวก่อเกิดให้เดือดร้อนรุ่นวานมันหมดไปเพื่อหน้าของปัญญาหมดทุกหมดที่จใจกายมันจะมีก็มีเรื่องของมันที่เป็นอะไรไปมันมีอยู่ของมันอยู่จนกระทั่งวันหมดวันสลายนั่นแหละเดี๋ยวแสดงนู่นเจ็บท้องปวดหัวเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นั้นเรื่องของมันมว่างไง เราจะไปสำคัญมันให้เห็นตามความจริงของมันเราจะไม่เดือดร้อนถึงคราวกินมันก็เป็นอย่างนั้นเห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วมันจะแตกก็แตกยิ้มกันเอจะว่าไงมันไม่มีอะไรที่จะมาทำลายจิตใจได้การตายของธาตุของขันธ์การสลายทางธาตขันธ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาลบล้างจิตใจให้หรือทำลายจิตใจให้ชิดผายไปนี่มันเป็นเรื่องของเขาทําหน้าที่ตามธรรมชาติของเขา ผูอทำหน้าที่ตามสายลา ก, กาเขือนี่ต่างตัวภาาก็ทับเข้าไปผู้ที่รู้กดสายลากก็ให้รู้ไปพิจารณาไปเห็นตามไปยิงไปแม่ไาชื่อว่าผู้ฉลาดเนรธรรมกุศลธรรมมาให้ฉลาดที่กรุงนี้สวดให้ดีนะกุศลธรรมมาจะไปคอยตแต่งเตาผ้ามาสวดเวลาตายแล้วเคาะลงโป๊ะเป๊ะเฮ้ยลำพานจะตายเราตอนยังเป็นคนอยู่ไม่อยากฉลาดเวลาตายแล้วไปเรียกกันมาสวดกุศลากันยุ่งไปหมดมกุศลธรรมกับเท่าเดิมมันแหละ <laughs> ว่ายชวยใหมันถูกจุดสิเสกกุศลธรรมาแปลว่าความฉลาดเรียนเรื่องของตัวให้มันรอบให้มันรู้รอดนะความโง่ก็อยู่ในตัวเองความฉลาดอยู่ในตัวเองผิกขึ้นมาได้อาคุศลธรรมามันก็อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่ไหนนี่นะอพยากตาทำมาก็อยู่ที่จิตกุศลธรรมาก็อยู่ที่จิตเนี่ยแก่จิตจนบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดแบบกุศลธรรมาก็เหมือนสนใจจะพูดเสียเวลา อากุศลธรรมาก่าเสียเวลาอัพยะธรรมาก่าเสียเวลายู่ตามความจริงนั้นสบายดีออตายแล้วไม่ต้องไปหาพระมากุศลธรรมาแลถามให้มันถึงที่ถึงผลแต่มันรู้จริงๆนะภายในจิตใจนี่ความจริงมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่หลอกหลวงโลกนพองเห็นก่อนแล้วรู้ก่อนแล้วจะงนำความรู้จริงเห็นจริงมาสอนโลกแล้วมันจะปลอมไปไหนนอกจากจิตใจของเราทพิเรศภาให้ปอมเท่านั้นเองมันถึงปลอมได้วันยั่งยำคืนยังรุ่งได้ยินได้เห็นอะไรปลอมไปหมดเพราะพิเรศภาให้ปลอม ถ้าสติปัญญาได้ยัางาไปตรงไหนความจริงก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปัญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มภูมิไม่สงสัยนี่แหละเรียนทำจบเรียนวัตจักแก้วัตจักจบที่ผิดดูแสนสมยัยนี่ท่านวัดโลกุตนาธรรมมันเหนือโลกทั้งทั้งตีอยู่ในโลกอยู่ในขันมันก็เหนือขันมันไม่ยอมให้ขันกดขี่บังคับมันได้เหมือนอยังแต่ก่อน รู้ตามมัจริงมันทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทำลายจิตใจไม่มากดขี่บังคับจิตใจได้เองได้เลยจึงเรียกว่าเหนือโลกเอโลกคือขังเนี่ยมันเหนือที่ตรงนี้เองโล ก, กุณาธรรมแต่ว่าทำเหนือโลกนะนิพพานังปรามังสุ ข, ขังถามหาอะไรขอให้จิตบริสุทธิ์เท่านั้นกับคําว่า น, นิพพานังปรามังสุ ข, ขังอันเดียวกันสวดไม่สวดว่าไหนว่ า, วา อ, อันเดียวกันนีพยายามสวดกุศลาให้ตัวเองนะ เดีย๋ยไปคอยจะเอาผ้ามาสวมกุชลาธรรมายุง่งถ้าเป็นผ้าท่านมาอยับยุง่งเน่ะท่านลำคาท่านมาหยับไปนอกจากผ้าหากินมันท่านจะหยับไปวันนี้คนตายนะกุชลานะอาหารว่างเกินแล้ววันนี้มันอาจเป็นไปได้อย่างนั้นถ่า้าผ้าท่านมุง่งอัจมุ่งทำท่านไม่สนใจเะไรท่านคิดเกียรยุง่งเวลาสอนให้กุชลาธรรมาไม่สนใจเวลาตายเอาไปกุชลาทำใหม่งานะตันจะว่างนั้น น, นนะอาละเอว